ปัจจณีกะโอกาสจากขุนทริยมูลกนัยสาร้อยเก้อนุโลมปุจฉาจากขุนสีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดตัวมนต์สินตีในภุมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมปัจจณีกับปุจคโลกาสจากขุนทริยมูลกนัยสร้อยเก้อนุโลมปุจฉาจากขุนตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด โสตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัิชนาะบุคคลผู้กําลังกุติจากปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้มีจะขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่โสตินรีไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิ ในบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญสัตตภูมิอรูปภูมิจะขุนตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสตินรีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาโสตินีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะปัชิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิ สตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะขุนตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญญัตตภูมิอรูปภูมิสตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจกขุนตีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุชชาจกขุนตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด คานินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิและบุคคลผู้มีจักขู่เก sure> ิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิจักขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่คานินทรียไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในการมาวจรภูมิบุคคลผู้ก MM ําลังจุติจากปรูปาวจรภูม hmm ิ และบุคคลผู้บตดอยู่ในอญญาศันยศตธธภูมิอรู ป, ปภูมิจกขุนตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคารินรีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาคารินรีของบุคคลใดในภูมิดไม่ใช่จะเกิดจกขุนตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะ ปชิมพวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในการมาวจรภูมิและบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิคานินตีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะขุนตีไม่ใช่มไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในการมาวจรภูมิบุคคลผู้กำลังจุติจากรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตภูมิอรูปภูมิ คานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจากขุนรีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนาะบุคคลผู้กําลังจุดตีจากกามาวจรภูมิและบุคคลผู้มีจากขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิ จากขุนตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อิทธิ์รีไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกามาวจรภูมิบุคคลผู้กำลังจุติจากรู ป, ปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัตรยู่ในอสัญญาสัตตภูมิอรู ป, ปรภูมิบุคคลเหล่าใดมีปุริจเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั่นนั่นแหละ แล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกาลังจติจากจะคุณตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดไดอิตินรีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุจฉาอิตินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจากคุนตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมพิจัดชนาะ ปัดชิมพวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในการมาวจรภูมิบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นและแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติอิทธินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะกคุนตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในการมาวจรภูมิ บุคคลผู้กำลังจุติจากรูปราวจรภูมิบุคคลผู้บัดอยู่ในสญญาสัตตภูมิอรู ป, ปรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริษาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติอิทิินีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจากขุนีก็ไม่ใช่กาลังเกิดอนุโลมปุจฉา จากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจชนาบุคคลผู้กําลังอยู่ตีจากการมาฏจรภูมิและบุคคลผู้มีจากขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาฏจรภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปุริสินศียไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาฏจรภูมิ บุคคลผู้กําลังจุติจากปรูปราวจรภูมิบุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญญัตตภูมิอรู ป, ปรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั่นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติจากขุนศีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและปุริสินศีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชา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 บุคคลเหล่านั้นกําลังจุติปุริสินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจักขคุณรีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขคุณสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจกักรคูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตินทรียีไม่ใช่จกไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและปัดฉิมภวิกาบุคคลในอรูปภูมิจะขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตินทรียีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใด ไม่ใช่จะเกิดจากขุนศีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัดฉิมพวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิชีวิตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิและปัดฉิมพวิกาบุคคลในอรูปภูมิ ชีวิตินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจากขุนสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดโสมนัสสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโบการภูมิและบุคคลผู้มีจกักรคูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิ จะขุนตีคนบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่โสมนัสสินตีไม่ใช่จกไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจวโวการภูมิบุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิอรู ป, ปรภูมิในบุคคลเหล่าใดมีจะขู่เกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติจะขุนตีคนบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิด และโสมนัสสินสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชาโสมนัสสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะปัดชิมภวิกาบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการัภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจกักรคูเกิดได้และมีติดเป็นอุเบขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติ โมสมณตสินสีงบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิบุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิอรู ป, ปรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจาคขู่เกิดได้นี่จิตเป็นอุเบขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติ ตมนต์ินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจากขุณสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากคุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็มนนไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัชนาะบุคคลผู้กําลังจุดตีจากปัญจโวการภูมิบุคคลผู้มีจกักรคเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิได้บุคคลผู้บัติอยู่ในอรู ป, ปรภูมิ จตกขุนสีขอบบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเปกิุนศีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิปัจฉิมพาวิกาบุคคลในอรู ป, ปรภูมิบุคคลผู้บัตยู่ในอสัญญาสัตตภูมิแด้บุคคลเหล่าใดมีจกักขูเกิดได้ได้มีจิตเป็นโสมนัสจักอุบัตแล้วปรินิพพานบุคคลเหล่านั้นกาลังจุติ จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอุเปกขินศีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกขินศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาปัจฉิมภวิกะบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจากขู่เกิดได้ได้มีจิตเป็นโสมนัส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 ในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอรู ป, ปรภูมิจะขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ตัดทินศีไม่ใช่จกไม่เกิดบุคคลผู้กํา ล, ลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิปฏิบิมภวิกรบุคคลในอรู ป, ปรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาจ <masturb idiot S 1> ัตตภูมิจกขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและตัดทินศีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชา สัตตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจะขุนตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะปัดฉิมภวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการาภูมิสัตตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะขุนตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการาภูมิปัดฉิมภวิกาบุคคลในอรูปภูมิ และบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสัตตินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจะขุนศีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจะขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปัญญินรีและมณินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมปิจฉนาะ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 จากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนณีศีนน DAM ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนิณีศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจตนะชนาปัจฉิมปาวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิมนิณีศีของบุคลลกก ค, บคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิด บุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัจจวกาลภูมิปัจฉิมภวิกาบุคคลในอรู ป, ปรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอาัญญตัตาภูมิมนิณีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะขุนสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดจะขุนตริยะมูลกนัยจบคานินตริยมูลกนัย396ออนุโลมปุจฉา คาณินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอิจินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจารชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิคาณินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่อิจินทรียไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปริพนิพานในกามาวจรภูมิ บุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติคานินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอิทินรีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโมปุชฌาอิทินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิด กานินรีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมพิจชรณาปัจฉิมพระวิการบุคคลกำลังอุบัติในการมาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติอิตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คารินรีไม่ใช่ไม่กาลังเกิด บุคคลผู้กําลังปรินิพานในกา마วจรภูมิบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหลแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติอิทินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและคาณินทรีย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุชชา คานินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจารณาบุคคลผู้กําลังยุติจากกามาวจรภูมิและบุคคลผู้มีกานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิคานินทสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปุริสินทรียไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติคานินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริสินสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโมปุจชา บุรีสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคาณินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาะปัดฉิมภวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหลแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คานินทรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิด บุคคลผู้กำลังปรินิพานในกามาวจรภูมิบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแล้บุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิตนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและกาลินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา กานินทรียีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจจนะนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุดติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กาลังอุบัติกานินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินทรียีไม่ใช่จกไม่เกิด บุคคลผู้กําลังปรินิพพานในการมาวจรภูมิและปัจจิมพาวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิคารินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคานินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะ ปัดฉิมภวิการบุคคลผู้กำลังอุบัติในการมาวจรภูมิชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในการมาวจรภูมิและปัดฉิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและคารินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา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 บุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิปัจฉิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิบุคคลผู้บัตยู่ในอสัญญัตตภูมิอรู ป, ปรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นอุเบกขาจักอุบัติแล้วปรินิพพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติกานินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสมนณสินสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุจฉา โสมนัสสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคาณินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาปัดฉิมภวิการบุคคลผู้กำลังอุบัติในการมาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นอุเวกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คานินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลผู้กําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิปัดฉิมภวิการบุคคลในรู ป, ปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิอรู ป, ปรภูมิแต่บุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกํำลังจุติโสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและการินทรีย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉา การินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจาชณนาะบุคคลผู้กำลังจุตีจากกามาวะจรภูมิบุคคลผู้มีกาณะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวะจรภูมิแต่บุคคลผู้บัติอยู่ในอยู่ในรูปปาวรจรภูมิอรูปาวะจรภูมิ คานินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่อุเปกินทรียไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิปัจฉิมภวิกา บ, บุคคลในรู ป, ปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิบุคคลผู้บัตยู่ในอาัญญสัตตภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมนัสจักอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิด และอุเปกินสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาะปัจฉิมภวิกาบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดผู้มีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสจักอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติ ปเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่กานินทรียไม่ใช่ไม่ไมกําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในการมาวจรภูมิปัจฉิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิบุคคลผู้บัตยู่ในสัญญาสัตตภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติ ปเปกินรีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและคาณินทรีย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุชชาคาณินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดจัทินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีกานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิ และบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จัตินรียไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกามาวจรภูมิปัจฉิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในสัญญาสัตตภูมิคานินทรีย ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะกำลังเกิดและสัตตินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิรมปุจฉาสัตตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคาณินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจตัญนาปัดฉิมภวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิสัตตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คาณินทรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลผู้กำลังปรินิ พ, พานในการมาว จ, จรภูมิปัดฉิมภวิกะบุคคลในรูปาว จ, จรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาจตั ภ, ภูมิสัตตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและการินทรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาการินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัญญินรียละมนินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหม วิจัชนาะบุคคลผู้กําลังจุดติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีกานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในรู ป, ปาวจรภูมิอรู ป, ปาวจรภูมิคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มันินทรียไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิ ปฏิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิคานินตียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินทรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุจฉามนินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคานินตียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะ ปัจฉิมพวิกาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คานินทรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิปัจฉิมพวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแต่บุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและคานินทรียก็ไม่ใช่กำลังเกิด การินตริยะมูลกนัยจบอิถธินตริยมูลกนัยสามอยเก้ 7, อนุโลมปุจฉาอิทธินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปุริทินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้กำลังจุติจากกามาวจรภูมิและบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิ อิทถินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปุริสินรียไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังป ร, รินิพานในกามาวจรภูมิบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะ น, น, นั่นแห ล, ละแล้วป ร, รินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติอิทธิสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิด และปริสินสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชาปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอิทธินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะปัจฉิมภวิกับุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติและบุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั่นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติ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 อิจตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตินรียไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิแต่ปัจฉิมภวิการบุคคลในรูป ù, าปวจรภูมิอรูปาวจรภูมิอิจจินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตินรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชา ชีวิตินทร์สีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอิทธินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะปัดฉิมภวิกาบุคคลผู้มีอิทธิ์เกิดได้กําลังอุบัติชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อิทธินทร์สีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิและปัดฉิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและอิทธินทรีย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิทถินทรียีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดโสมนัตสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กําลังตุติจากามาวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิ และบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปราวจรภูมิอิทธิสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่โสมนัสสินสียไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิปัจฉิมภวิกะบุคคลในรูปราวจรภูมิบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิอรู ป, ปรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทิเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจักอุบัติแล้วปรินิพาน บุคคลเหล่านั้นกําลังจุติอิทถินทรียกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและโสมนัสสินรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชาโสมนัสสินทรีกับบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอิทธิสินสีกับบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะปัจชิมภวิกบุคคลผู้มีถีเกิดได้กําลังอุบัติ และบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจักอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติโสมนัสตินจีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อิถินจีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิปัจฉิมภวิกาบุคคลในรูปปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาจตภูมิอรู ป, ปรภูมิ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 บุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทิเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติอิตินติของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเปกินติก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุชชาอุเปกินติของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอิตินติของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม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 บุคคลผู้บัตยู่ในอสัญญาตตภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุดติอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและอิจินรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิถินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดจัดินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะ บุคคลผู้กำลังจติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิอิทธินิสิกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จตินิสิไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกามาวจรภูมิปัจฉิมภาวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ แต่บุคคลผู้บัตรอยู่ในอาจารย์ยศตภูมิอิตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัตตินรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชาสัตตินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอิตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมพิจาชนาปัจชิมภวิกาบุคคลผู้มีถีเกิดได้กำลังอุบัติสัตตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิด แต่อิทินตีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปเรณิพานในกามาวจรภูมิปัดฉิมภวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแต่บุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญญัตตภูมิสัตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและอิทธินตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิทินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปัญญินรียและมณินทรีย ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัดชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากการมวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในการมวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิอิทถิ์สี่กับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินทร์จีไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในการมวจรภูมิ ปัิมภระวิการบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในสัญญาจตุภูมิอิถินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินตีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุจชามนินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอิทธินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะ ปัดชิมภวิการบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติมนินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อิจินทรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิปัดชิมภวิการบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแต่บุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาจตภูมิมนินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิด และอิทธินรีมิก็ไม่ใช่กําลังเกิดอิถินตรียมูลกานา य จบปุริสินตรียมูลกนัย398อนุโลมปุจฉาปุริสินติของบุคคลใดในปูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตอินทรีย์ของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะ บุคคลผู้กําลังจุติจารามาวจรภูมิบุคคลผู้มีปริจารเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิปริจิตรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตจิตรีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิ ต่ปัจฉิมภวิกาบุคคลในรูปปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิปุริตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชาชีวิตินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปุริตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาปัจฉิมภวิกาบุคคลผู้มีปริตาเกิดได้กำลังอุบัติ ชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ปุริสินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิแต่ปัจฉิมภวิการบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและปุริสินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา ปุริสินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดโสมณัตสินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังตุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีปุริสาเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่โสมนัตสินตีไม่ใช่จักไม่เกิด บุคคลผู้กำลังปรินิพานในการมาวจรภูมิปัดฉิมภวิกาบุคคลในรู ป, ปาวจรภูมิบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิอรู ป, ปรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้แต่มีจิตเป็นอุเบขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสมนัสสินสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุจฉา โสมนัตสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัดฉิมภวิกรบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้กำลังอุบัติแต่บุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ได้มีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติ แ, แล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติโสมนัตสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกามาว จ, จรภูมิปัจฉิมภวิกาบุคคลในรู ป, ปาว จ, จรภูมิบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาจัตตภูมิอรู ป, ปรภูมิแต่บุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้แต่มีจิตเป็นอเบขาจักุบัตแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ปุริสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุชชา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 บุคคลผู้กําลังปรินิพานในการมาวจรภูมิปัดฉิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิบุคคลผู้บาดอยู่ในอาจารย์ยัจภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสสะเกิดได้ได้มีจิตเป็นโสมนัตจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติปุริถินติของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอุเปกินรติก็ไม่ใช่จะเกิด ปฏิโรมปุชชาอุเปกิณสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในปุินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปฏจิมภาวิกาบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้กําลังอุบัติแต่บุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ได้มีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดอุเปกิณสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิด แต่ปุริสินตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกามาวจรภูมิปัจชิมภวิกระบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิแต่บุคคลเหล่าใดมีปุริสชาเกิดได้ได้มีจิตเป็นโสมนัสจักุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติ อุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและปุริสินสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุชชาปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสัตตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจาดชนะบุคคลผู้กําลังจุตีจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีปุริสชาเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิ และบุคคลผู้บัตดอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิปริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ตัดทินตียไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในการมาวจรภูมิปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสศัญยัตตภูมิปริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่สัตตินตีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุจฉาสัตตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปุริตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภาวิกบุคคลผู้มีปุริตาเกิดได้กําลังอุบัติสัตตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ปุริตินตีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปารินิพานในการมาวจรภูมิ ปัจฉิมภาวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตต ภ, ภูมิสัตถินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและปุริสินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัญญินรีและมนินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะ บุคคลผู้ ก, กําลังจติจากกาม า, มาวจารภูมิบุคคลผู้มีปุริจเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกาม า, มาวจารภูมิและบุคคลผู้บัตอยู่ในรูปาวจารภูมิอรูปาวจารภูมิปุริ HOY สินสี่ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มันินทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้ ก, กําลังปรินิพพานในกาม า, มาวจารภูมิปัจชิมภวิกบุคคลในรูปาวจารภูมิอรูปาวจารภูมิ แลบบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาตตะูมิปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนณีตีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุจชามนณีตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปุริสินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมพิจัชนะดชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้มีปุริจเกิดได้กําลังอุบัติ มนินทร์สี่กับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ปุริสินรี่ไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิปถิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บาดอยู่ในสัญญาสัตตภูมิมนินทร์สี่กับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและปุริสินสี่ก็ไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินตรียมูลกนัยจบ ชีวิตินตรียมูลกนัสามร้อยเก้าสิบเอนุโลมปุชชาชีวิตินทรี ย, ย 99, ชช์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโมดสมนณสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้กำลังจุดตีจากจตุโการพภูมิและปัญจโการพภูมิในพังคข้านาแห่งจิตในประวัติการชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่โสมนณสินตีไม่ใช่จกไม่เกิดในพังค์ฆาณะแห่งปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตจที่สัมปยุทธ์ด้วยเบขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในปังค์ฆาณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญาตตภูมิชีวิตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและโมสมนณตินตีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชาโมสมนณตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิด ชีวิตติณฑ์ตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาะในอุปาทขศนาแห่งปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สามปยุทธ์ด้วยเวขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขศนาแห่งจิตนั้นบุคคลผู้กำลังอุบัติในอาสัญญัตสัตตภูมิโสมนัสติณฑ์ตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตตินฑรตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพัขนข้าทแห่งปัจฉิมจิต ปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยเวขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในพังคขณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้กำลังจุตีจากอสัญญาสัตตภูมิโสมนัสสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและชีวิตินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาชีวิตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหม พิจารณาบุนะคคลผู้กําลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในพังค์ฆาขนาแห่งจิตในประวัติการชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่อุเปกินทร์สีไม่ใช่จกไม่เกิดในพังค์ฆาขนาแห่งปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในพังค์ฆาขนาแห่งจิตนั้นบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญาตตภูมิ ชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเปกินรสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุจฉาอุเปกินทรสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมพิจาชนาะในอุปาทขศนาแห่งปัติมจิตปัติมจิตที่สัมปยุติโสมานัตจะเกิดในดำดับแห่งจิตใดในอุปาทขศนาแห่งจิตนั้น บุคคลผู้กำลังอุบัติในอาสัญญาตตภูมิอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตินตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังค์าขณะแห่งปัติมจิตปัติมจิตที่สามปยุทธ์ด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในพังคขณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญาตตภูมิอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและชีวิตินตีก็ไม่ใช่กำลังเกิด อนุโลมปุจฉาชีวิตินทร์ของบุคคลใดในปูมมใดไม่ใช่กําลังเกิดสั่ตินทร์ของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจัตชนาบุคคลผู้กําลังจุดตีจากจตุโวการับภูมิและปัญจโวการะภูมิในปังคขาขแห่งจิตในประวัติการชีวิตินทร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กาลังเกิดแต่ตินทรียไม่ใช่จะไม่เกิด ในพังคขทันาแห่งปฏิมจิตบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญาจัตต ภ, ภูมิชีวิตินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและจัตินทรีก็ไม่ใช่จัดเกิดปฏิโลมปุจฉาจัตินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จัดเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในอุ ป, ปาทขศนาแห่งปัจฏิมจิต บุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิสัตตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตินตีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังค์าขณะแห่งปัจฉิมจิตบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญาสัตภูมิสัตตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตินตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุชชาชีวิตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปัญญินตีละ มนินรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากจตุโวการัภูมิและปัญจโวการัภูมิในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการชีวิตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จกไม่เกิดในพังคาขณะแห่งปัจฉิมจิตบุคคลผู้กําลังจุติจากอจัญญตรตุภูมิชีวิตินทรีย์ บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนินทรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุจชามนินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาถขนาแห่งปัฏิมจิตบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญาจัตตภูมิมนินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตินทรีไม่ใช่ไม่กําลังเกิด ในพังคขณะแห่งปัจจิมจิตบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญตตภูมิมนณีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและชีวิตินทรีก็ไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตอินตรียมูลกานัยจบโสมณสินตรียมูลกานัย400อนุโลมปุจฉาโสมนณตินตรีของบุคคลใดในภูมินใดไม่ใช่กําลังเกิด อุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในพังคฆณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุป า, าทฆนาแห่งจิต ท, ที่วิปยุทธจากโ ส, สมนัสโสมนัสตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิต ท, ที่สัมปยุทธด้วยโสมนัสบุคคลผู้พร้อมเรียงด้วยปัจฉิมจิต ท, ที่สัมปยุทธด้วยอุเบกขา ปชิมะจิต ท, ที่สัมปยุทธดิโสมณัตจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในพังค์ฆาณาแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญย์ัตตภูมิโสมณัต ส, สินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอุเปกินสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุจฉาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดโสมณัตสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะ ในอุปาทขศนาแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุตไดโสมานัตปัจฉิมจิตที่สัมปยุตไดโสมนัตจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขศนาแห่งจิตนั้นอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นไม่ใช่จะเกิดแต่โสมานัตสินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุตไดโสมานัตบุคคลผู้พร้อมเปลียงโดยปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยเวขา ปชิมจิตที่สัมปยุตได้โสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในพันฆาขณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญญาสัตต ภ, ภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่โสมนัสสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาโสมนัสสิน ส, นน ส, นนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัตทินสีละปัญญินสีละมณินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหม วิจัชนาะในพังค์ข้าแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากโสมานัตโสมนัต ส, สินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนินรีไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุต ด, ด้วยโสมนัตบุคคลผู้พร้อมพเพลียงด้วยปัจฉิมจิตที่สัมปยุต ด, ด้วยอุเบขาบุคคลผู้บัดอยู่ในสัญญตัตต ภ, ภูมิ โสมานา Leave, ัตสินรีของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินรีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนินตีของบุคคลใดในปูมิใดไม่ใช่จะเกิดโสมานัสถินรีของบุคคลนั้นในปู่มนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาในอุปาทัะนาแห่งปัจจิมัจิตที่สัมปยุทธิโสมานัตมนินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภู่มนั้นไม่ใช่จะเกิดแต่โสมานัตสินรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิด ในพังค์ขา้าณาแห่งปัจจิมจิตที่สัมปยุตได้โสมนัสบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจจิมจิตที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาบุคคลผู้บัดอยู่ในอสถรญพ์ัตตภูมิมนินทรียกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและโ ส, ส, ส, สมนัสสินทรีย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดโสมนัสสินตริยมูลกานายจบอุเปกินตริยมูลกานาย สี1รอนุโลมปุตชาอุเปกินตีของบคุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดตัดทินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในพังคาขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขนาแห่งจิตที่วิประยุจจากอุเบขาอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ตัดทินตีไม่ใช่จกไม่เกิดในพังคาขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมประยุจ er ด้วยอุเบขา บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสบุคคลผู้บัด อ, อยู่ในอสศัญยัตตภูมิอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจัตตินตีก็ไ ม, กไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชาสัตตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมพิจัชณาในอุปาถขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยเวคา สัตตินรีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อุเปกินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังค์ฆาคแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยเวขาบุคคลผู้พร้อมเพลียงได้ปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสบุคคลผู้บาดอยู่ในอธัญจัตตภูมิสัตตินตีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและอุเปกินรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา อุเปกินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช <hus> ่กําลังเกิดปัญญินรีและมณินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในปังคาฆนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทาฆนาแห่งจิตที่วิปยุตจากอุเบกขาอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มณินตียไม่ใช่จะไม่เกิดในพังฆาฆนาแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอเบกขา บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปฏิมจิตที่สัมประยุทธ์ได้โสมนัสบุคคลผู้บาดอยู่ในสัญญาสัตตภูมิอุเปกินสีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนณีสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมพุทฉชามนิณีสีกับบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินสีกับบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทกนาแห่งปฏิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยเวขา มนินรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อุเปกินีสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาบุคคลผู้พร้อมเปลียงด้วยปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสและบุคคลผู้บัดอยู่ในสัญญาสัตตภูมิมนินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดได้อุเปกินีสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกินตริยะมูลกนัยจบ สตินติยมูลกนัย402อนุโลมปุจฉาสัตินติของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัญญินติของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในพังคาธนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทาธนาแห่งจิตที่วิปยุจจากศรัทธาสัตินติของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปัญญินติไม่ใช่จกไม่เกิดในพันฆาธนาแห่งปัจฉิมจิต บุคคลผู้บ wow. ัติอยู่ในอสรญยะสัตตภูมิสัตตินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและปัญญินรีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาปัญญีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสัตตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมพิจตัดชนะในอุปาทัะนาแห่งปัจฉิมจิตปัญญินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สัตตินีไม่ใช่ไม่กําลังเกิด ในพังคาคนาแห่งปัจฉิมจิตบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาจา ร, รย์ัตตปูมิปัญญินตรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและตัดทินตรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาสัตตินตรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมนินตรีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทกณะแห่งจิตที่วิปยุทธจากศรัทธา สัตตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินตีไม่ใช่จกไม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตบุคคลผู้บัตรอยู่ในอาศันยัสัตตภูมิสัตตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินตีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโจมปุจฉามนินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสัตตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม วิจัชนาในอุปาทัศนาแห่งปัจฉิมจิตมนนิณีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สัจตินรีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังคัณะแห่งปัจฉิมจิตบุคคลผู้บาดอยู่ในสัญญตจตภูมิมนิณีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและสัจตินทียก็ไม่ใช่กําลังเกิดสัจตินตรียามูลกานายัยจบปัญญตรียามูลกานัย4ี่ออนุโลมปุจฉา ปัญญินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิ dai, มใดไม่ใช่กำลังเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาฆาตนแห่งจิตที่วิปยุทธจากญาณปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จกไม่เกิดในพังคขณ ะ, ะแห่งปัจจิมจิตบุคคลผู้บัตดอยู่ในอาศัญยตตะูมิปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด และมณีศีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชามนิณีศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปัญญรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะในอุปาทัศนาแห่งปัจฏิมัจจิมณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมนั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ปัญญรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังค์ขณะแห่งปัฏิมจิตบุคคลผู้บาดอยู่ในสัญญริยตตภูมิมนณีศี ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและปัญญินตรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัญญินตรียะมูลกานัยจบ